ักีวัานพมาเ็ันี้ค่ะกทีวัญญากัี่วันกานนะปิอาทิตย์เคยมาพักเอเ่เคเลยค่ะคยเลยเคยขึ้นมาฟังธหรอือเ่าเเคยแล้วเลยเป็นังไงรอบธรรมะแบบไหนแบบนี้จ้เป็นงไงแบบนี้ก็ สรงความสองของคุณพิมพ์เจ้าเราจะขอไปปฏิบัติกับใครกิน ไ, ได้ไประโยชน์ไหได้ไปรับปรุงชีวิตเราให้ดีขึ้นให้มีความหื่นวายน้อยลงให้มีความสบายใจมากขึ้นด้วยการกระทําอะไรบ้างก็ทุกวันก็นั่งสมาธิเช้ า, า, ชาเย็นนะแต่ในรูปแบบ ระหว่างวันก็พิจารณาทำอะค่ะอะไรที่มันมากระทบใจแล้วก็เห็นว่าเราปปลี่ยนหรือเราต้โต่ต่อมันยังไงเนี่ยคะพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อปล่อยวางได้บางไม่ได้บาง้องค่ะก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จย่างนานขึ้น มันต้องเดิแบบน้อมลูกคุกขาดไปทำไปต่อไปมันก็จะทำงานขึ้นแรงขึ้นแค่ปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่กำลังที่สำคัญกำลังใจคืความความหยุดใจนี่ต้องมีกำลังหยุดใจหยุดกิเลส ทีเรามีปัญญาแต่เราใช้มันแล้วก็หยุดมันไม่ได้เพราะเรามีกำลังน้อยกำลังของใจก็คือสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยนั่งได้นานเราจะมีกำลังใจมากเวาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นกายลักเป็นอรสุภา เราก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นตายแล้วเป็นอริยพระแต่ความอยากมันก็ยังมีความมีกำลังอยู่นะครับมันก็ยังทำให้เราทุกข์ทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ฉั้พยายามฝึกนั่งสมาธิให้มากๆากสมาธินี้เป็นกุญแจใหญ่สำคัญสื่การใช้ปัญญาตัดกิเลสการใช้ปัญญาดับความทุกข์ต่างๆปัญญาจะดับความทุกข์ได้อย่างท้าวอ ส่วนสมาธิจะดับได้เพียงชั่วคราวดับได้ในขณะที่เราเข้าไปในสมาธิเวลาเราดั่งสมาธิใจสงบนน้ความทุกทั้งหลายหายไปหมความอยากทั้งหลายหายไปหมดแต่พอเราออกจากสมาธิมาเดี๋ยวเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นคนนั้นคนนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็จะผกดขึ้นมา แล้วความไม่สบายใจ ต, ต่างๆก็จะพุดขึ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเรายัางสูององ้ความอยากไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังเร า, เรายัางไม่พอแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราหยุดความอยากได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา ถ้าเราก็หยุดความอยากในสิ่งนั้นได้ก็สแสดงว่าเรามีกำลังพอที่เมื่อกี้บอกว่า แ, แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างครับถ้ามันมเป็นเรื่องเบามันไม่หนักกิเลสมันไม่แรงความอยากมันไม่หนักมันไม่รุนแรงมันก็นนแก้ได้แต่ถ้าไปเจอความอยากที่มันรุนแรง อยากได้มากๆบาทีมันก็แก้ไม่ได้แล้วปัญยายามทำสมาธิให้มากขึ้นสมาธิกับปัญญานี่มันเป็นของคู่กันของที่สนับสนุนกันสมาธิมาสนับสนุนให้การใช้ปัญญานี้เป็นไปได้อะมีประสิทธิภาพ ปัญญาก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำลายกิเลสอย่างาถาวรสมาธิเองไม่สามารถที่กำจัดกิเลสได้อย่างถาวรเพียงแต่กดเหมือนว่าท่านบอกว่าเหมือนกับหินทับยา้เวลาเราเห็นไปทับยาหยากมันก็งอกขึ้นมาไม่ได้พอเรายกเขยนออกไปในหญยามันก็งอกเงยขึ้นมือนเ่เพราะว่ามันยังไม่ตาย รากมันยังอยู่ในดินถ้าอยากจะให้หญ้าตายไม่งอกขึ้นมาเร า, าก็ถอนรากถอนโคนขึ้นมาแต่สมาธินี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะถอนรากถอนโคนของ เ, อเกตัตหาเหมือนกับหญ้าเห็นไม่สามารถเห็นมันไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้าเห็นเพียงแต่ทับหญ้าไว้สมาธิกระทับเก เพราะสมาธิไม่มีความสามารถที่จะถอนรากถอนโคนของเกศดนะเหมือนกับหินไม่มีความสามารถที่จะถอนรากถอนโคนขอนตงต้นหญ้าได้คนที่จะต้องถอนก็คือคนที่อยากจะให้อยากจะถอนคือคนจะต้องเป็นคนถอนยากถอนถอนถอนรากของยากาขึ้นมา ปัญญานี้แหละเป็นผู้ที่ถอนรากของเกเรกิเลสเป็นเหมือต้นยาส่วนรากนี้รากของเกเริเลสนี่ก็คือความหลงความหลงนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นรากเป็นรากของเกิเลสถ้าอยากจะให้กิเลสตายก็ต้องถอนรากของเกเรกิเลสเก ผู้ที่จะถอนรากของกิเลสหน้ก็คือปัญญาเพราะรากของกิเลสก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจึงต้องเอาปัญญามาสอนใจเพื่อมาแก้ความหลงเวลาเห็นอะไรต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยมเวลาได้อะไรมาใหม่ๆมันก็สุขแต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันเปลี่ยนไปมันเสืมไปมันเสียไ ป, ยไปความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกขึ้นมา น, นี่นลยเป็นของเราเราไม่สามารถไปส้างมัน ไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ mm hmm. เวลามันจะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเวลามันจะเสื่อมมันก็จะเสื่อมเวลาจะเสียมันก็เสียเวลามันจะจากออไปมันก็จะจากออกไปนี่คือความรู้ที่เราไม่มีกันเรามองอะไรเราไม่มองแบบใจลัคน์เรามองเพียงแต่เห็นว่าดีอยากได้ชอบ ได้มาแล้วมีความสุขจะเห็นเพียงเท่านี้จะไม่เห็นว่ามันเสี่ยงมันต้องเป mm hmm. ลี่ยนแลวเราไปบังคับไปห้ามมันไม่ได้เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาเสี่ยงไปน mm ี hmm. ่เป็นปัญญาปัญญาที่จะสอนใจไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆ mm hmm. ตอนนี้เรายังหลงกับสิ่งต่างๆ เพราะเรายังเห็นว่าเป็นความสุขอยู่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะทําให้เรามีความสุขใช่ไหมแล้วพอได้มาแล้วมันก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราทุกข์ละเนี่ยเพราะเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มาแล้ว ซื้อของมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวก็เสียรถซื้อรถมาใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวรถเสียเวลารถเสียนี่มันสุกแ้วมันทุกข์นั่นแหละของต่างๆก็เหมือนกันซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ได้บางทีซวยซื้อมาวันเดียวเสียแล้วก็มีเสียเร็วซื้อมาประดีได้ของที่ช่งมุดมา เขาไ ม, ไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดเวลาก่อนที่จะเข้ามาขายเขาก็จะตรวจสินค้าให้ละเอียดก่อนวาใช้ได้ดีแต่บางทีมันก็อาจจะมีบางชิ้นบางอันที่ไม่ได้รับการตรวจตาอย่างรอบคอบแ้วเอามาขายเราไปซื้อสินค้าชิ้นนั้นขึ้นมาซื้อมาได้เอามาที่บ้านพอจะตรวจใช้หรือว่าใช้ไม่ได้นะ ความสุขที่ได้จากการเลื่อน้อมาก็กลายเป็นความทุกข์เขาต้องกลับไปร้างไปเปลี่ยนไปแล้วดีไม่ดีเขาไม่เปลี่ยนให้ทันทีก็บอกต้องรออีกสามสิบวันต้องส่งไปกลับไปที่โรงงานนี่คือความไม่แน่งนอนของเสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราบางคน ได้แฟนแต่งงานกันวันเดียวก็ตายจากกันไปก็มีบางทียังไม่ทันแต่งก็ตายก่อนก็มีเนี่ย <Yeah. S 1> มันมีนของไม่แน่นอนที่เราไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกันอยากคิดว่ามันแน่นอนได้อะไรมาแล้วจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสือ่อม mm hmm. นี่แหละคือความหลง ที่ทาพาให้เราไปหาความทุกข์กันหาสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์โดยธรรมชาติของเขาเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปต้องมีการเชื่อมมีการดับไปย่อมถึงต้องมาใช้ปัญญาคอยสอนใจว่เาเวลาเราอยากได้แล้วเราจะเล้บอกใจว่าอยากไปเอานะเอาแล้วต้องทุกข์นะเช่นถ้าเราเป็นโสนเนี่ย ถ้าไปเห็นใครแล้วชอบอยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็ต้องอรีบบอกต้อเป็นทุกข์นะ<ม>เขาไม่แน่นอนนะเ<ม>ขานนี้อาจจะดีกับเรา<ม>เดี๋ยวพร้อมได้เขามาแล้วเขาได้เราแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปได้นะ<ม>ตอนก่อนที่จะได้กันก็เอาอกเข้าใจกัน<ม><ม>พอได้มาแล้วก็ต่างคนต่างเอาอกเอาใจตัวเองแล้วกันใช่ไหม เคยเอาออเอาใจเราอย่นี้ไม่เอาแล้ว <c oughs> เคยสั่ง <c oughs> เคยชี้ได้ตอนพอได้ายนะเขามาแล้วที่้องสั่งไงชี้ไง <c oughs> เขาก็ไม่เขาก็ไม่ทําตามที่เราสั่ง <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คืออนิจจังนำไปสู่ความทุกข์เพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงแล้ว ม, มันมันมักจะทําให้เราต้องเสียใจแล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ เหมือนก็แต่งงานกันต่อให้เขียนเซ็นสัญญากันลงไปในสมุดบันทึกว่าจะต้องดีกันไปตลอดมันถึงเวลามันก็บังคับไม่ได้เว่าใจเขาใจเรามันก็เหมือนกันไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายสามวันดีสี่วันไข่มันไหนดีก็ดีทําอะไรด้านทั้งเดียวพอวันไหนไม่ดีก็ก็อารว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ยอมมองกันไม่ไม่เห็นกันเพราะไม่ยอมคิดกันชอบคิดว่าเป็นไงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าดีก็ต้องดีไปตลอดถ้าเลวก็เลวไปตลอดมันก็ไม่ใช่ของที่มันเลยบางทีมันก็ดีได้ของที่มันดีมันก็เลวได้นี่คือปัญญาที่จะถอนว่าถอนโคนของความอยาก ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้เราก็ถอยดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าไม่ว่าคนหรือสิ่งของเหมือนกั น, น, นสิ่งของซื้อมาเดี๋ยวมันก็เสียหรือหายไปเวลามีก็เป็นภาระกับจิตใจต้องมาดูแลรักษา ต้องคอยหวงคอยห่วงคอยกัวงวลแล้วพอเวลาเสียไปจากไปก็เสียออกเสียใจในี่ถึงแม้เราจะรู้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีกำลังอีกก็ยังเอาอีกเสียแฟนไปเนี่ยเดี๋ยวเจอแฟนใหม่เจอคนใหม่เขามาจีบก็ามาเอาใจเราอีกเดี๋ยวก็ใจก็อ่อนลืม ลืมการเก่ามปลืมอะไรก็มเพราะความอยากมีความสุขมันทำให้เราตาบอด ก, กันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า love is blind นะรักคือรักทำให้คนตาบอดมองไม่เห็นทุกต้องใช้ปัญญาปัญญาจะทำให้เราตาสว่างตลอดเวลา แต่เราต้องใช้มันตลอเวลาเหมือนไฟฉายปัญญาเหมือนไฟฉายถ้าเราปิดปั๊บหนือนก็มืดเราต้องคอยเปิดไฟฉายเรื่อยๆแต่ถ้าทางหมดเราก็ต้องมาชาร์จทางวิธีที่จะชาร์ถทางของปัญญาก็เกิดไปนั่งสมาธิเวลาปัญญาหมดกำลังก็พักเหนื่อยพิจารณามไม่ไหวก็หยุดพักแล้วก็เข้าไปในสมาธิ แตพักใจพอได้พักในสมาธิแล้วออกมาก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาต่อถ้าไม่มีกำลังก็จะถูกความหงลงดึงไปแทนที่จะพิจารณาว่วาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมองว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นจะมองว่าเป็นสุขเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดจะดีกับเราจะดีกับเราไปตลอด ท, ทันที นี่แสดงว่าฐานหมดก็ใชาย้ยปัญญาหมดความมืดเข้ามาแทนที่ความมืดก็คือความรู้สึกว่าทุกอย่างดีทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนี้เพียงต้องเข้าไปในสมาธิ เ, เวลาที่เราหลงแล้วเราไม่สามารถใช้ปัญญามาแก้ความหลงได้เราก็ต้องเข้าไปในสมาธิไปพักจิต แต่ให้กำลังกับปัญญาประชาิแบบพอเข้าจะ อ, ออกจากสมาธิมาแล้วก็จะสว่างปัญญาจะสามารถพิจรารณาเห็นตายรักต่อไปได้เห็นสุภะได้เห็นอะไรเห็นทุกได้การปฏิบัติมันต้องมีทั้งปัญญาและสมาธิมันถึงจะสามารถ นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้เคือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการทําลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเรามีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่ามันจะไม่มีกำลังแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่พิจารณาพอไม่พิจารณามันกิเลสมันก็มาแทนที่พอไม่พิจารณาว่าเป็นตายแล้วพอเห็น้อะไรไม่ไปพิจารณาว่าเป็นตายแล้วมันก็จะมาหลอกเราว่า เป็นเป็นของดีแล้วเป็นเป็นสุขแลเป็นของเราแล้เราต้องทำทั้งสองอย่างสลับกันไม่ไม่สามารถทำกันในเวลาเดียวกันได้ทำสมาธิทำใจให้สงบเวลาสงบ ก, ก็อย่าไปทาอะไรให้มันชาิแบบไปเวลาสงบนี่แ เ, เป็นเวลาชาิชาิกำลังของใจ ให้ใจมีกำลังนิ่ง น, นานเพราะเราต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวก็คือกิเลสตัณหาถ้าเราต้องการหยุดกิเลสตัณหาเราก็ต้องใช้ความนิ่งกิเลสชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปกิเลสชวนให้ไปหาแฟนก็ไม่ไปถ้าเรามีความนิ่งเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ไปตามที่กิเลสเรียกร้องได้ แต่ถ้าเราไม่มีความนิ่งเดี๋ยวพอชวนป้าไปเลยบอกให้ไปเปิดตู้เย็นไปเลยรู้ว่าในตู้เย็นมีอะไรน่ากินบ้างแต่ถ้าเรามีความนิ่งเราก็ไม่ไปถ้าจะไปก็ต่อเมื่อถึงเวลากินอยากจะไม่กินตามความอยากกินตามกิเลสกินตามเวลาเพราะร่างกายยังต้องให้อาหารมันตามเวลาอยู่ ถ้าห้อาหารกับร่งางกายตามเวลานี้ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาแต่ให้อาหารตามความอยากไม่เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นทุกข์เพราะจะกินอยู่เรื่อยอยากอยู่เรื่อยและเวลาไม่ได้อยากเวลาอยากก็ไม่ได้กินก็ทุกข์กินมากเกินไปก็ทุกข์แน่นท้องอืดอัน้นำหนักเกิน เดี๋ยวก็มีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาใหลุมเองถ้าทำตามความอยากมันจะนําไปสู่ความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจตที่เราต้องการที่จะกำจัดก็คือความทุกข์ทางจิตใจเป็นหลักแต่ผลภายได้ก็คือจะกาจัดความทุกข์ทางร่างกายไปด้วยร่างกายก็จะไม่อ้วนร่างกายก็จะน้ําหนักไม่เกินสุขภาพก็จะดีแข็งแรง ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย mm. น, นเราต้องทำทั้งสองอย่างถ้าไม่มีสมาธิเนี่พอถูกกิเลส ช, ชวนปับ๊บก็ไปเลย mm. แต่ถ้ามีสมาธิมันอิ่มมันมีความสุข mm. mm. มันก็ไม่อยากไป mm. มันก็จะฝืนกิเลสได้ฝืนความอยากได้ ถ้าเราฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังย้อนใหมาลบกวนใจเหมือนเราได้ถอนความอยากของไปออกจากใจไปหมดถอนหน้าของความอยากคือความหลงหลงที่ไปเห็นว่าคนนั้นได้คน น, นนั้นมาแล้วจะดีได้สิ่งนั้นมาแล้วจะดีเพรเราจะเห็นว่าได้อะไรมาแลทุกข์ทั้งนั้นสู้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่า อยู่กับความสงบนีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราก็จะไม่มีอะไรอยู่ด้วยเราก็ต้องไปหาอะไรมาเป็นมาเป็นเครื่องอยู่แทนแต่ของที่เราไปหามานีม่มันเป็นความทุกข์กันั้นมันเป็นความสุขตอนต้นถ้าเรียพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเ น, นี่ยคือเรื่องของการใช้ปัญญาเวลาที่ไม่ดีมีสมาธิี่เวลา เป็นเวลาที่ต้องใช้ปัญญาแต่เวลาที่ในสมาธิไม่ใช่เวลาใช้ปัญญาเป็นเวลาให้จิตนิ่งให้ว่างไปนานๆจนกวาจิตจะถอนออกมาพอถอนออกมามาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนีน้ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอยาไปอยากได้อยากไปอยากมีอยากไปอยากเป็นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นได้ไงมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มา นี่คือการตัดการถ อ, ถอนรากของความอยากถ อ, ถอนรากของกิงเลสตัณหาต้องถอนด้วยปัญญาถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธมันก็จะกดเอาไว้ถ้าเราใช้สติพอกจากสมาธิมาพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปความอยากมันก็หายไปชั่วคราวพอเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาใหม่ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพอถอนมันออกมาแล้วที่มันจะไม่กลับมาแล้วจะอยากมีแฟนนี่ทุกครั้งที่อยากมีแฟนก็เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างนี้เห็นร่างกายของแฟนเป็นผีอย่างนี้เป็นอสุภะนี่มันก็ไม่อยากได้นะต่อไปมันก็จะไม่กลับมาแต่ถ้าใช้พุทโธทุกครั้งอยากจะมีแฟนก็พุทโธพุทโธตอนที่พุทโธมันก็หายไปความอยากจะมีแฟนก็หายไปแล้วพอเผลวเดี๋ยวคิดถึงแฟนอย่างนีอยากไแฟนขึ้นมา ต้องใช้ปัญญาถึงจะทําให้ความอยากมีแผล น, นี้หายไปอย่างถาวนเพราะทุกครั้งที่คิดอยากจะมีแผลก็คิดว่ากําลังได้ผีมาร่างกายให่งแผล น, นี้ก็เป็นเหมือนผีดิบดีๆนี่ผีที่ยังไม่ตายใช่ไหมถ้าแผนตายไปวันนี้คืินนิจา ย, ยังเก็บเข้าไว้ในบ้านอเปล่าเกพอไม่มีลมหายใจก็กลายเป็นผีอ่ะ คนเดิมคนที่มีคนที่เรารักเราห่วงเี่ยพอไม่มีลงหายใจยแล้วไม่ห่วงเลยยกให้สับปเปลอเลยจ้างเขาด้วยถามเงินด้วยเอาไปเผาให้หน่อยเนี่ยทุกครั้งที่อยากจะมีแฟนเราคิว่าเรากําลังได้ผีมาถอาเราเห็นการเป็นผีแล้วเราก็จะไม่อยากจะมีแฟนต่อไป นี่คือวิธีแก้ความอยากมีแฟนแล้วต่อไปทุกครั้งที่เห็นคนนจะไม่มีความอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเราเอาให้หน้าตาสวยงามหล่อเหลาขนาดนั้นก็เห็นเป็นผีเลยเห็นทีไรก็เห็นเป็นถีทุกทีเยเห็นเป็นซากศพเห็นตับตายซากโมลเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่ไม่อยู่ภายในร่างกายอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกัน เห็นหน้าเห็นตาต่อเห็นกระโหลกศีรษะเห็นไหมแต่เห็นกระโหลกศีรษะถ้าก็เอาเอาเอาเอาผิวหนังลอกผิวหนังออกแล้วเราอยากจะไปรักเขาไหมอยางจะชอบเขาไหมของเราถ้าไม่มีหน้าตาก็ดีนะมีแต่กระโหลกศีรษะเดินไปไหนมาไหนคงยังไม่มีใครรักใครนะ นี่คือปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาต้องใช้ปัญญาทันทีเวลาอยากได้อะไรนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทัน ท, เเทีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้อยากคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะตัดความอยากต่างๆได้หมดพอไปออกมาได้ยินเสียงคนด่าเราก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เพราะเราอยากให้เขาไม่ด่าเรา เราก็ต้องพิจารณาว่าเราไปห้างเขาได้ปล่าไปสั่งให้เขาไม่ได่าเราได้เป่าแต่เราสั่งใจให้เราไม่ทุกข์ได้ถ้าเราใจเราเฉยเฉยถ้าใจเรานิ่งถ้าเรามีสมาธิเราก็นิ่งได้ถ้าเราไม่มีสมาธิก็นิ่งเวลาสู้ความอยากไม่ได้อย่ากให้เขาไม่ได่าเราไม่ได้ mm hmm. นี่คือทุกอย่างเวลาเราไปสัมผัสนี่มันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา โดยเราไม่รู้สึกตัวบางทีมันทุกข์เพราะว่าเราเราสุขกับมันเนี่ยเช่นพอได้ยินเสียงเขา้าชมเราแล้วก็สุขไปแล้วอันนี้ก็เป็นความทุกขนะ์ในอนาคตกําลังจะมาแล้วพอเขาหยุดชมเมื่อไหร่ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีแม้แต่ชมก็ไม่ชมก็ชมก็ไม่ใช่เป็นความสุขชมก็เป็นทุกข์ด่าก็เป็นทุกข์ชมนี่มันมาในรูปแบบของความสุขซ่อนอยู่ ห่มห่อความทุกข์เอาไว้พอเวลาเขาไม่ชมเราเมื่อไหร่ก็กลายเป็นความทุกข์ทุกทีทันทีเวลาเจอกันในไลนชมยู่ชมกันชมกันพอวันหนึ่งเจอกันไม่ชมกันนี่ก็ทุกข์ทําไมก็ไม่ชมเราเขาไม่ชอบเราแล้วเหรอเขาเกลียดเราแล้วเหรอใช่ไหมยังต้องปัญญาต้องรู้ทันหมด เวลาสุขกับเวก็บอกว่ากําลังหลงเวลาทุกข์กับเวลก็กําลังหลงเหมือนกันหลงหลงคนละรูปแบบกเวลาสุขเพราะว่าเราเรายินดีและไม่ก็หลงไปยินดีก็หลงแลเวลาทุกข์เราก็ยินร้ายเราก็หลงอีกแล้วเราต้องไม่ยินดียินร้ายเราต้องเฉยๆใจกางๆอยู่ไเรื่อย ใจจะเป็นกลางได้ก็ต้องมีสมาธิที่นรานั่งสมาธินี่เพื่อทําให้ใจเราเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรอะไรเห็นอะไรได้ยินไรก็จะเฉยถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญาช่วยช่วยปัญญาช่วยก็ได้ไม่ใช้สติก็ได้ถ้าใช้ปัญญามันก็จะทําให้ เฉยได้อย่างถาวรคือปัญญาจะบอเป็นตายแล้วเสียงนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาชมก็ไม่ได้ไปห้ามแม่เขาด่าก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาชมไปด่าไปแต่เราทําใจเฉยเฉว่าอยากไปอยากให้เขาชมเราก็จะไม่เสียใจอยากไปอยากให้เขาไม่ดา่าเราเราก็จะไม่ถูก นี yeah, yeah. ่แเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องอัลัยสัตว์ความทุกข์เราเกิดจากความอยากให้เขาชมเราไม่อยากไม่ให้เขาด่าเราเป็นภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาอยากให้เขาชมก็เป็นภาวะตัณหาอยากให้เขาไม่ด่าเราก็เป็นวิภาวะตัณหาต้องไม่มีทั้งสองอย่างต้องเฉยเฉยด่าก็ได้ชมก็ได้ ทำยังไงได้เราไปห้างเขาได้หรือเปล่าทําไมเสียงลมเราไปเรากลับไม่โมโหไม่ไม่เสียใจเวลาลมพัดเราทําไมไม่ไปโกรธไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจเสียงใบไม้เสียงนกเสียงกาทําไมเราไม่มีอารมณ์กับนเพราะเราไม่มีความอยากกับเขาไม่ได้อยากให้เขาหยุดหรือไม่ได้อยากให้เขาร้องเขาจะร้องเราก็ปล่อยเขาร้องไปเราจะหยุดเราก็ปล่อยเขาหยุดไป เราต้องทำใจกับเสียงทุกระเบแบบปล่อยเขาเขาจะส่งเสียงดังก็ปล่อยเขาส่งเสียงไปเขาจะหยุดก็ปล่อยเขาหยุดไปเราอยากไปอยากให้เขาหยุดได้อยากไปอยากให้เขาส่งเสียงแล้วเราจะไม่มีวันเสียใ จ, จกับเสียงต่างๆไม่มีวันที่จะทุกกับเสียงต่างๆเนือความสุขความทุกข์ของร่างกายก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับเสียง บางทีร่างกายก็สุขมางทีร่างกายก็ทุกข์เจ็บตรงนั้นปวดตรง น, นี้แล้วเราก็ไปห้ามเขาได้หเปล่าไปสั่งให้เขาไม่เจ็บได้สั่งให้เขาหายหรือเปล่ามันก็สั่งไม่ได้ถ้าเราทำใจเฉยๆเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะสุขก็ปล่อยเขาสุขไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา เวทนามันก็จะสลับกันไปเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเวลาทุกข์เช่นหิวข้าวไปกินข้าวทุกข์ก็หายไปความสุขจากการกินข้าวมันก็กลับมาแต่บางเวลามันทุกข์บางอย่างเราไปหยุดมันไม่ได้ทันทีเช่นเจ็บไข้ได้ปวยปวดตอนนั้นปวดตรง น, นี้ตอนที่ยังกาจัดเขาไม่ได้ก็ต้องทำใจไปให้ได้ ถ้าทำใจเฉยๆไม่ไปอยากให้เขาหายเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาหายเราจะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายบางทีทุกข์จนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่ยอมหายแต่ถ้าเราไม่ไปทุกข์กับเขาเรวเฉยๆเราพิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาเหมือนกับเสียงเราไม่สั่งเขาไม่ได้เขาเป็นเวทนา เวทนาก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปตอนนี้เป็นช่วงของทุกข์ก็ผ่านนทุกข์ไปเหมือนกับเสียงเสียงด่าบางช่วงก็มีแต่เสียงด่าก็ผ่านก็ด่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวเสียงชมก็กลับมาทุกเวทนาหายไปเดียวสุขเวทนาก็กลับมามันกลับมาแล้วเดี๋ยวทุกเวทนาก็มาใหม่นั้นอย่าไปดีใจทั้งเวลาที่มันหายไป หายไปก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไม่ต้องไปดีใจสุคเวทนาหายไปก็ไม่ต้องไปเสียใจเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันไปมันมาสลับกันไปอย่างนี้เราอย่าไปดีใจเสียใจอย่าไปยินดียินรลายแล้วเราจะไม่ดีใจเสียใจทำใจให้เฉยๆกับเวทนาทำใจให้เฉยๆกับเสียงทำใจให้เฉยๆกับคนกับโลคต่างๆที่เราเห็นด้วยตาก็เหมือนกัน ลูกท uh. ี่มันมีปัญหามากกว่าเราที่สุดก็คนไงเห็นคนบางทีก็เห็นแล้วก็ดีใจเห็นคนแล้วบางทีก็เสียใจมันก็คนเหมือนกันมันก็เป็นรูปรูปที่เห็นด้วยตาเหมือนกันเหมือนกับเสียงที่ได้ยินด้วยหูเหมือนกันมันมีทั้งลูกที่ดีลูกที่ทำให้เราสุขลูกที่ทำให้เราทุกข์ที่เราสุขเราทุกข์ก็เพราะเราไปยินดีรากับปูกนั้นเ เราอยากไปยังมีแล้วเราดูลูกดูลูกเฉยๆอยากไปรักอยากไปชงังมันก็จะไม่สุขไม่ทุกข์กับลูกที่เราดูรักก็ไม่ดีเดี๋ยวลูกที่เรารักหายไปก็เสียใจชังก็ไม่ดีเดวลาเจอลูกที่เราชังก็ไม่สบายใจยังต้องหัดทำใจให้เฉยขึ้นเราเห็นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันไป ดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่กระทุกกับฝนฟ้าอากาศเพราะอะเพราะเราไม่ไปยินดีร่ากับฝนฟ้าอากาศเราไม่ได้ไปอยากไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศใช่ไฝนจะตกแดดจะออกเราก็อยู่กับมันได้อันนั้นเราต้องทําใจของเราให้ อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราอยู่กับเรีนฝ้าอากาศได้แล้วเราก็จะไม่ทุกกับอะไรจะทําใจได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสมาธิก็จะทําทให้เป็นกลางได้ชั่วข่าวแต่พอออกมาจากสมาธิจะรักษาความเป็นกลางไว้ก็ต้องใช้ปัญญาช่วยหรือ mm hmm. ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติช่วยดินไว้ก่อนดึงให้อยู่โครงการก่อนให้เฉยเฉยไว้ก่อน ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้เวลาเจออะไรแล้วใจวุ่นวายกบพุทโธพุทโธไปก่อนก็จะหยุดได้ชั่วคราวหยุดความวุ่นวายใจได้ชั่วคราวแต่ถ้าจะหยุดอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาต้องใช้ใจรักถ้าใช้ใจรักเป็นนมันจะหยุดได้อย่างถาวรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปวุ่นวายใจด้วย ถ้ายังใช้ตาลรังไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนใช้พุทโธไปก่อนเวลาวุ่นวายใจกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องที่ทํำเวลาวุ่นวายใจเดี๋ยวก็เลิมไปแล้วเดี๋ยวพอเลิมแล้วเดี๋ยวความวุ่นวายใจก็หายไปวุ่นวายใจกับเสียงด่าเสียงติของคนแล้วก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเสียงด่าเขาอย่าไปคิดถึงตัวคนที่ด่าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เลิมแล้ พอเดิมแล้วก็หายหายทุกแนละ้วหายวุ่นวายใจแต่ตอนนี้เราไม่วุ่นวายใจกับอะไรเลยใช่ไหเพราะเราเลืเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันไปบมดนละ้วมันไม่อยู่ในใจเราแลนะ้วถึงแม้ว่ามันยังไม่หายไปเดี๋ยวกลับไปเจอเรื่องวุ่นวายก็วุ่นวายขึ้นมาได้แต่เราสามารถทำให้เราไม่วุ่นวายได้ถ้าเราไม่ไปเดินเรื่องนั้นเข้ามาใน ใ, นใจเราปล่อยมันอยู่ข้างนอกอย่าไปดึงมันเข้ามา เราวุ่นวายใจเพราเราไปดึงเข้ามาเองเขาไม่ได้อยากจะเข้ามารเราไปดึงเขาเข้ามาเองเราไปคิดถึงเขาเ น, นี่ยเราดึงเขาเข้ามา้วิธีไม่ดึงเราใช้พุทโธพุทโธกันไวพอจะวุนวายใจกบพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่องที่จะเข้างานมันก็จะเข้ามาไม่ได้ยังความวุ่นวายใจก็จะหายไปถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะไม่กลับมาเลยถ้าใช้ว่ามันเป็นตายรักเราก็ มันก็จะไม่กลับมาเพราะเราจะไม่เป็นดึงมันกลับมาเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยตายรักก็คือเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยตายรักมันจะไม่กลับมาอีแต่ถ้าเราหยุดมันด้วยพุทโธเนี่ยมันกลับมาได้พอเราหยุดพุทโธปั๊บเดี๋ยวก็ไปคิดถึงมันก็ดึงมันเข้ามาแล้วเนี่ยพุทโธมันเห็นทับยา ทับความวุ่นวายมาพอพุโทโธพุโทโธความวุ่นวายก็หายไปเดี๋ยวพอหยุดพุดโทโธวความวุ่นวายก็กลับมาใหม่เพราะกลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายมาแต่ถ้าใช้ปัญญาว่าเรื่องที่วุ่นวายนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันเป็นกองไฟอย่าเข้าไปพอเราเห็นว่ามันกองไฟเราก็จะไม่เดินกลับเข้าไปหามันแลทุกข์ก็คือกองไฟยาพิษนี้ ถ้ารู้ว่าเป็นยาพิษเรายังอยากจะไปเดืมมันหรืเปล่าของทุกอย่างนี่มันเป็นเหมือนยาพิษหมดแต่เรามองไม่เห็นกันเราไปคิดว่าเป็นเครื่องดืมรสอันโอชานี่นะคือความหลงเห็นทุกเห็นยาพิษว่าเป็นเครื่องดื่มอันโอชาก็เลยพอดื่มเข้าไปแล้วถึงท้องเสียกันอาเจียนกันเวลาทุกข์ก็เสียวท้องเสียอาเจียนกันนะ่ กาพยายามมาฝึกปัญญากับสมาธิได้มากมากสมาธิก็ต้องมีสติเป็นตัวนําต้องพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลานั่งต้องมีพุโทโธกำกับอย่าปล่อยให้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมันจะไม่น่งไม่สงบไม่เป็นอุบเบกขาแล้วมันก็จะสร้างภาพอะไรมาหลอกหลอเห็นนูน่นเห็นนี่แล้เดี๋ยวกลายเป็นคนบ้าขึ้นมา พราบ้าไปกับภาพที่เห็นนั่นแหละคิดว่าตนเป็นนุ่งเป็นนี่เข้าไปบนะาระวังนะ น, นั่งสมาธิอย่าวลให้ไปเห็นภาพต่างๆเห็นก็ต้องนึกว่าเป็นภาพหลอนภาพหลอกไม่ใชภาพจริงเห็นแล้วก็ปล่อยวางอย่าเห็นดีกว่าถ้าเห็นปั๊บรีบกลับมาเอาพุโทโธพุโทโธนะถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วภาพต่างๆยังไม่เกิดขึ้นอย่าเหลือแต่ความนแ่งความสงบ จะเหลือแต่อุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วเราจะได้เอาตัวนี้ไปใช้ต่อสู้กับกิเลสต่อไปด้วยปัญญาถ้ามีอุเบกขาแล้วมีปัญญาก็จะสามารถหยุบความอยากต่าตงๆได้หมดยังก็พยายามหาเวลามาปฏิบัติกันให้มากๆพราปฏิบัติแค่เช้าเย็นนี่มันก็พอ เนียอะอหอมปากของคออย่างไม่ถ้ากินก็เหมือนกักินกับแก้มกินคําสองคเชียมไปเนั่งชิ ม, มาหารถ้าจะกินให้อิ่มต้องปฏิบัติทั้งวันเนี่ยช่วงที่มาอยู่วัดเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันว่าเราไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปยุ่งกับใครเวลามาอยู่ด้วยการก็อย า, ากมาเกาะลุ่มคุยกันยา ก, กัน คนต่างไปนั่งสมาธิกันต่างคนต่างไปเจริญปัญญากันถึง จ, จะได้ประโยชน์จากการมาอยู่วัดถ้ามาอยู่วัดแล้วก็มาเกาะกลุ่มคุยกันมันก็เหมือนกับอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานต้องแยกกันอยู่อยากคลุกคลีกันอยากคุยกันต่างคนต่างทํากิจกรรมของตนคือนั่งสมาธิกับเนินจองงรม น, นั่งสมาธิก็ถามสมาธิเวลาเดินจงกรงก็พิจารณาปัญญาไปหรือเจริญสติไปได้สองอย่างนจริสติก็พุทโธพุทโธไปถ้าเจริญปัญญาก็พิจารณาทุกอย่างเป็นตายนักหมดรูปเสียงกียรติลดเป็นตายนักร่างกายของเราของคนของเขาเป็นตายรักหมดเป็นอสุภะหมดเนียเป็นผีหมดเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็เป็นผีหมด มีใครไม่เป็นเป็นผีมนะั้งใช่ไหม้ปจองศาลากันบมาได้ยังไปยังอื่นชอบจองกันนะโงแรมแต่ศาลาศาลาที่อยู่ของเราไม่ยอมไปจองอันนะจะให้พรช่วงแรกนี่เดี๋ยวช่วงที่สองคอง่อยถามตอบปัญหากัน อันนี้มีโทนี่เข้ามาบ่างชาลันเข้ามาบ้ายังไม่เข้ามาจะมากันไม่ตอบครับมีมีชาวเฟสท่าเหล่านี้ y o u t u b ก็ประมาณสามร้อยเข้าไปเลย y ท u t u b e สี่สิบห้าค่ะนล้สัญญามันดีบ้างไม่ดีครับนะวิธี YouTube ของเขมีครับราชานย์มีก็หลักสิบจอยู่แล้วหลักเสร็จเลยวนนี้เปิดโอกาสให้คําถามทางเฟสบ้างว่าเมือวานนี้ไม่ได้ถามเลย ครานี้ก็ถามได้นะถ้าใครอยากจะถามนี่อะไรอยากจะถามมั้ยมีคนก็เตือนว่าเราลองคำถามรวงนะอ๋มีคนจะถามคำถามรวงเกี่ยวกับวัฒนการเนอไม่ค่อยอยากถามอ๋อไม่ค่อย้าอกถามมาเาอยากมาดปิงเรื่องของเขาเอาแต่เรื่องปฏิบัตินี่เป่าอย่าเอาเรื่องเอายาพิษเข้ามาเลย ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่เสียอะไรกับเขา mm hmm. แค่น่าแต่เขาใครทาํากรรมัใดไว้ดีหรือชั่ ว, วเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะ mm hmm. ั้นพิษแค่นี้พอวันจันทร์ไม่ไปเดือดาเลยไม่รักไม่ชังไม่รักเขาไม่ชังเขาไหวเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาโยมผ่านเจ้าค่ะได้ ยังตั้งใจจะบวชสามเดือนนะค่ะอกาลังหารองเท้าคู่ที่ฟิมเหมือนกันเจค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะก็รู้ชาบที่ไหนนะเคยไปที่ไหนมาบ้างมาก็เพิ่มไปที่วัดป่าภูไม้ฮาที่มุกดาหารก็ค่ะแล้วก็ไปที่วัดพึ่มแผ่วนาลามที่เชียงรายอแต่ที่นี่ก็มาทุกปีกันไม่รู้ว่าที่นี่มีบวชชีหรือเปล่าที่นี่เขาไม่บวชชีให้แล้วเขาไม่ให้อยู่นานก็อยู่กันได้แค่เจ็วันอย่างนี้ ที่นี่คงจะไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่บวชชีเขาเคยจะลองเมื่อเมื่อสองเดือนก่อนก็จะลองขอบวชชีเขาก็ไม่ให้บวชเป็นความเป็นความคิดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดวมาเราไม่อยากให้มีแม่ชีว่ายกเว้นุดการมีพิเศษคนสองคนอะไรเพีงก็บฎังที่มีอยู่คนเดียวแม่ชีเป็นหัวหน้าพราะสาวุฒิ ก็องอยู่มาก็สามสิบปีแล้วอันนี้ก็เป็นเึืองกรณีพิเศษแต่ได้ยินว่ามีสำนักของอาจารย์สงกที่ราชบุรีก็ก็ให้บวกชีได้รู้จักอาจารย์สงบนะก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ดูว่ามีสำนักเมชีที่ไหนบ้างของพวกนี้ก็ต้องต้องต้องแสวงหากัน ใช้เวลานรอแม่ชีสันธนีเคยไปไหมล่ะเคย้ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นที่ภาวนาแล้วแม่ชีบวงกฏอ่ะที่รู้สึกที่ตายในนักบุญแดนมหามงคลแดนมหามงคลเนี่ยก็เป็นป่าเป็นที่สงบเนียบเป็นเกาะเป็นเกาะแต่ว่าท่านจะนิมนตสวดมนต์แล้วก็ ทำงานค่ะทำงานให้ว่ามีโรงศพให้ไปดูได้อันนี้นะ่เดินเขาจะค่ะเดินเขาเลแต่เดินเขาเรีนความเพียรค่ะผูดงผดอแล้วก็มีต่างชาติมาด้วยจะค่ะต่างชาตต่างชาติประวัติของแม่ชีวงค่อนที่รู้สึกใครเป็นสิทยาพระอาจารย์ยันต์ตมาก่อนใช่ยมคุณโยมเคยใส่คันเดียวคส่คันเดียว จาไม่ผิด ค, คก่อนจะบวชรู้สึกทงานเป็นล่าสียงสวยเลยตอนนั้นเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยไปปฏิบัติอยู่กับพาจารย์อย่างาตะางๆตอนหล้งก็ไปเปิดสำนักตั้งสำนักขึ้นมาจะมีคนศรัทธาเยอะเหมืนอ น, yeah. มนกันก็ดีอย่างเสียอย่าง ายที่คนไปกันเยอะมันก็เรื่องเรื่องอาหารการกิ น, นคงจะสบายแต่คนเยอะๆมันก็อาจจะอาจจะมีเรื่องมากก็ได้ก็ต้องเจอกันถ้าไปที่เยี่ยมๆมันก็อาจจะหายากแล้วก็อาหารการกินก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวหายาเข้ายาก็ได้ ถ้าที่หนึ่งมีจำกัดเขาก็จะรับไม่ได้อีกพียวก็ลองหาดูดรหรั่งนี้เขาจะไปอุดรวดนนี้มีชาวเกาหลีมาอยู่ที่นี่เมื่ออาทิตย์ก่อนเข้าไปมีพาะชาวเยอรมันลูกศิษย์น้งตามหาบัวเข้าไปอยู่อีกที่หนึง่งที่เมี ย, ย, ยในพระอุ้่ห้าโูก ชาวเกาหลีนี้ไปนะเขาส่งข่าวมาบอกที่นี่งเงียบดีเขาก็ยังอยากจะรอไปอยู่ก็อยู่ที่นี่ครับหรือแม้ข้างบนนี้จะเงียบก็ยังมีพระมีคนอยู่เกือบยี่สิบคนพ้าสิบกว่าแล้วเวลาตอนเช้าก็ต้องมองไปบินธบาร์นู่นกันที่ที่วัดยาไปฉันไปรับประธานอาหารที่วัดยาหนุ่ก็ค่อนข้างคลุกคล่าที่นี่ก็มีสอง สองรสชาติบนเขาสับข้างาตอนไปบินทบาทตอนไปฉันไปรับประทานอาหารก็ต้องลงไปเพืาอว่างพอเสร็จแล้ค่อยกลับขึ้นมา่แต่เขาเข้ามาอยู่ได้เกือบเดือนมงจากประเทศออสเตรเลียทางออกอยู่ทางนึงก็หาคอนโดเช่าสักสามเดือนก็อยู่ทังตัวเองในคอนโดมา <c oughs> มีเงินเช่าวคอนโด่ะ อย่างนั้นก็ได้สั่งเป็นโตมาสั่งอาหารเป็นโตให้เขาส่งมาเ <c oughs> ก็บเงินละเมือ่อเราทั้งตัวเองอยู่ในคอนโดนะคอนโดก็ไม่ต้องมีเฟอเจอรไม่ต้องมีอะไรทําให้เป็นเหมือนกุฏิเป็นเหมือนที่ปฏิบัติธรรมมีที่เดินจงกลมงนั่งสมาธิก็พอสำหรับผู้หญิงก็ต้องเอาแบบนี้ไปคอนโดมันก็เงียบไม่ใช่ เวลาก็าไปอยู่ในคอนโดนแล้วเปิดแอร์มันก็ปิดประตูปิดหน้าต่างได้ไมั่ต้องไปรับเรื่องภายนอกนอันนี้ก็ใช้ได้ในระดับเป็นที่วิเวกอีกแบบนึงจนกว่าจิตเรามีกำลังกล้าหาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่อยากจะไปทดสอบจิตใจก็ไปหาที่มันหดโหดอยู่ในทิ่สาะบุรีก็มีที่ปฏิบัติ ให้นั่งต่อหน้าศพหน้าลองศพเขามีให้ปฏิบัตินั่งกางนั่งกลางลานไปก่อนแล้วเหลือถึงเวลาก็จะให้จองชิวไปนั่งต่อหน้าศพกันศพนี้ก็เป็นคนตายแล้วก็ปอดฟ้ า, าลงให้ให้นั่งดูให้ดมกลิ่นให้ชินกับมันวัดอะไรคะ เขาเรียกยิงทัาสลามเงยเชื่อเลยจำได้สลามเงยใช่ไหมใช่น่าเศร้าดีครับ่าสด้วยช้อน่อนนาสใจวันก่อนได้ยินด้ฟังกับผู้หญิงคัหน็่ไปบวชชีมาอยู่ปีอยู่ที่วัดเนี่ยบวดมาแล้วเสร็จแล้วยังไม่ยอมไว้ผมยังกรงค้งอยู่ ติดใจสบายใจไม่ต้องหนีเผ้างนีผมไม่ต้องสักผมแล้วความทุกข์ความวุน่นวายใจต่างๆมันหายไปเยอะเลยเราเห็นสร้าศกคิดถึง ต, ตัวเองเป็นสร้าศก น, น, นีมันเบาเไปหมดมันกองมันวางได้เยอะไม่มาแบกไม่มาหนักอหนักใจแบบนี้น่้งนี้คน น, น, น, น, น, น, น, นนั้นคนนี้เวลาไปย่าดูสกแล้วมันคิดได้นะ แล้วเนนี้เขามีอะไรบ้างครับเขามีมากมีน้อยนะเขาก็อันี้เขาไม่ได้แบกอะไรเลยนอนเฉยมัรซาบเป็สมไปตัวตัวเจ้าของซาบสมไม่ไปไหนแล้วไปรับผลบุญผลกรรมต่อไปทําให้เรามองเห็นชีวิตกว้างกว้างไกลขึ้นไปไม่ได้เห็นอยู่แต่เฉพาะ จุดเน็กๆที่เราอยู่กันตอนนี้เป็นจุดชั่วคราวเป็นตำแหน่งชั่วคราวที่เคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปสู่ความแก่เคลื่อนไปสู่ความเจ็บเคลื่อนไปสู่ความตายที่สุดการพิจารณาสร้างสมด้วย่ดีนะรอนานรู้สึกเจ็บมือเป็นประโยชน์นะารให้เราขายหลงปัญญาอนิจจ์ ปัญญานิจัญญาแล้วมันความอยากจะน้อยลงความโลภจะน้อยลงแล่วเราเห็นความตายของเรานี่มันู้จะไปโลภเลยถ้าไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเล็กสามเดือนนี้ยังอยากจะโลภอยากได้อะไรบ้าอยากจะหาที่สงบสิหาอยากอยากจะอยู่อย่างสงบไปก่อนตายไม่อยากได้แล้วไม่มีอะไรทำให้ใจสงบได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ทําไว้ก่อนพอถึงเวลามันจะทําไม่ได้คนจะมาจะคิดว่าจิตสุดท้ายจะทําให้จิตสงบได้ก็จิตปัจจุบันนี้ยังทําให้มันสงบไม่ได้จิตสุดท้ายมันวุ่นวายกันนั้นจะไปสงบได้ไงใช่ไหมปวดความเจ็บปวดตามหร่างการจะเจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันจะทําให้เราสงบไดไ้ถ้าเราไม่ฝึกก่อนที่เรามานั่งให้มันเจ็บเพื่อเราจะได้ฝึกได้ก่อน ให้มันสงบอยู่กับความเจ็บให้ได้นิ่งกับความเจ็บให้ได้พอเวลาใกล้าตายเวลาจะเป็นจิตสุดท้ายมันก็จะได้นิ่งได้สงบได้ไม่ใช่จะไปรอทําตอนจิตสุดท้ายทําไม่ได้เหมือนนักมวยจะมารอซ้อมตอนที่ขึ้นเวทีนักก่นว่าถูกคนน็อกแล้วนักมวยก็ต้องซ้อมก่อนขึ้นเวทีใช่ไมต้องโชคกับสอบซ้ายต้องโชคกับคู่ซ้อมไปก่อนแล้วพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็จะได้สู้ส สู้กับคู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าไปซ้อมตอนที่ขึ้นขึ้นเวทีก็ถูกขออก้อมนกเลยสำนักสงฆ์ที่แม่ชีไปอยู่ที่หนั่งชีส้สำนักสำนักสงฆ์นะัรือชาครับอาจารย์อยู่ที่แก่งคอยที่ไปดูศพนักรือชาที่แก่งคอยนักรือชานักรือชนะ น, น, อ น, นั่นนี่นี่นีครับ นอนหนุสละเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้อีกทีครับแต่เขาส่งมาอ่านอย่างนี้นะนักฤชาใช่ไหมนัฤชานักฤชาเป็นสาวส่งนอสละอานอนหนุสละอาชอช้างสละอาค่ะนกฤชาอย่างนี้เันนสางก็มีผ้าอยู่อ๋อแต่เขาบอกว่าเปสที่คมก็มีคาารแต่ว่าแต่าไม่อยากจะพูดเลยเเขาบอกว่าไม่ไม่ ไม่ค่อยอยากแนะนำที่นู่นที่ที่แก่งคอยมันมีของไม่ค่อยดีชอบเรื่องตะปบกันแล้วก็พูดมางี้คนนอกไม่ดีคนในดีเอาไปอยู่ห้างงานเป็นยรโลแต่ที่พนักมีครับที่พนักมีแต่ถาม้าไปดูช่วยๆกันไม่ได้ไม่น้ำใอยู่ไปสำรวจอยอะ คนไปวดอยู่กันได้ปีนก็เก่งนะพอต้องไปล้างศกไปเก็บศกด้วยนะนไปเตรียมศกเข้าเอาใส่ลงอะไรข่าวมันเรื่องการเมืองมาเยอะครับอาจาย์เรื่องการเมืองเยอะเยอะครับะไม่มน <c oughs> ่นา น, นะถ้าเป็นธรรมะล้วนๆก็ น, น, าน่าจะดีะอย่างว่ากิเลสคนมันมักจะมีเข้ามาแทรกเรือยผลประโยชน์อะรต่ไม่เอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็น เป็นเหนนมาหาือนเหรืกองมือขายกิเได้ทำให้คนที่ไม่รู้จักธรรมะมองธรรมะไปในแง่ที่ไม่ดีแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของที่วิเศษที่สุดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นที่พึ่งของใจได้ดุดทนจากความทุกข์ทร า, าได้ด้วยธรรมะของตัตยาน ถ้าเรามาหาธรรมแล้วเราอย่าไปคิดถึงผลประโยชน์นันนึ่งผลประโยชน์ที่เราได้จากธรรมมีอันเดียวคือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแม้แต่สวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่ได้เป็นปนาฏิหาริย์แต่ถ้ายังไปไม่ถึงมันก็จะเป็นผลคอยได้ไปก่อนแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ได้ทําบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยเนะี่ย ให้เกิดเป็นเทวดาไปสวรรค์อะไรอย่างนี้แต่มันก็มีผลพลอยได้มันเป็นไปได้อย่ากเราต้องการเลยไปโดยสวรรค์โดยสวรรค์ชั้นเทพโดยสวรรค์ชั้นพรมเราจะให้ไปถึงนิพพานเหมือนขับรถจากที่นี่ไปเราจะไปกรุงเทพเราจะไม่ไปแวะที่ศรีราชาชมบุรีพัทยาเราจะเลยไปให้ถึงกรุงเทพธรรมะก็คือให้เราไปนิพพาน ให้เราหลออุดออกจากการเวีนว่ายตาเกิดกันหนึ่งต้องการแสวงหาลากรุสรรเสริญจากการปฏิบัติธรรมต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้แล้วทดลองได้ว่าธรรมะนี่จะเป็นที่น่าเรื่องสายศรัทธาในวิชาต่างประเทศนี่เขาชอบถึงธรรมะที่บริสุทธิ์ เมื่เขาเข้าถึงพระตายติดแบเขาอ่านจากหนังสือธรรมะที่ไม่มีผมประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาก็ประทับใจลองปฏิบัติดูแล้วเขาก็ได้ผลก็อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็เลยต้องมาหาสถานที่ปฏิบัติในประเทศไทยเพราะว่าเมืองเขาไม่มีวัดไม่มีสถานที่ปฏิบัติไม่มีครูอาจาร ย, ย์คอยนคออยสอน ในเมนทงทยนี้เรามีวัดมีสถานที่ปฏิบัติมีพระมีครูอาจารย์คอยสัคอยสอนแต่ถ้าวัดไหนไปนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยมันก็ทําให้เมตตาออกเฉาไปเป็นลองเทนไปแต่ถ้าวัดไหนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ันใดวัดนั้นก็เป็นวัดที่คนอยู่มีความาใจสบายใจสดใจ ว่าที่จะเป็นอย่างนั้นได้ผู้นำต้องเปนคนที่บอิสุทธถ้าใจไม่บอิสุทแล้วเดี๋ยวกิเลสมันก็จะมามาลากเข้าไปทําให้ไม่บอิสุทไม่สาดจะแสวงหาผลประโยชน์ในรูปใดรูปหนึ่งแต่ถ้าใจที่สาดบริบสุทแล้วไม่เอาทั้งนั้นเห็นว่าผลประโยชน์ต่างๆนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นหรือเป็นกองขยะเป็นเศษขยะ ไม่คุ้มค่ากับการที่จะทํำมะอันสะอาดนี่มาบาดเบื่อเลยรักษาธรรมอย่างเดียวอย่างนุ้งตามมหาวัวท่านหรอเราไม่เกณฑใจคนเราเกณฑ์ธรรมชาวลบทำถ้าเราเกณฑใจคนทำก็แหละอย่าไปเกณฑใจคนเกณฑใจคนก็คือผลประโยชน์เนี่ยนะคนนั้น จะเสียผลประโยชน์คนนี้จะได้ผลประโยชน์ก็ไปเกณฑ์ใจเขา้าไปทำตามก็ก็เลยทาให้ธรรมะเศร้าหมองไปมัวหมองแไปทําก็แหละทาต้องอยู่เนทุกอย่างหนือผลประโยชน์เนือบุคคลเนือทุกเสิ่งทุกอย่างเมื่อเชะนนั้นแล้วมันก็จะทําให้ศรัทธาเสร็มได้อย่างรวดเร็ว โปรเงกโปรเข้าไปไหนเข้ามานั่งเลยแไปนั่งเฉยๆเขาต้องรอารอรถมาอีกเนาะออยังรอมหยุดังไีวเราก็คุยถามตอบไปก่อนจนกว่าเขาจะมาแล้วเราพวกเราก็แล้วันนี้เอาคาถามที่สาคัญสำคัญหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องทั้งหมดแล้วกันเก็มาเรื่องใหม่เรื่องคาถามก็มาคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณอ้อมค่ะจิตของพระโสดาบันไม่มีความกลัวตาย อยากจะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเพิ่มเติมว่าหนูเข้าใจถูกหรือไม่ค ะ, ะน่าจะไม่กลัวตาแล้วก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่เจ็บตายคือเอาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมนตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งมันเป็นอะไร เ, เจ้าของตุ๊กาตาเราเบียดร้อนนะเราไม่ได้เป็นตุ๊กาตานะแล้วเราก็รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนรู้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปกลัวมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไร กลัวก็ไปทำให้เราทุกข์ไปต่อไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ต้องเป็นกลัวมันไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมองดูร่างกายว่าเป็นเหมือนตุ๊กตาไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเจ้าของตุ๊กตาแต่ตุ๊กตานี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวที่เราห้ามไม่ให้มั น, มนแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาแก่ก็ปล่อยมันแก่เวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บเวลาตายก็ปล่อยมันตายอย่รู ends, ้ว่าปล่อยได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปหาที่เจ็บให้มันปล่อยหาที่ตายให้มันปล่อยที่ตรงไหนที่มันเจ็บเช่นนั่งไปแล้วเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปขยับอย่าไปเขยื้อนอย่าไปเปลี่ยนอาริยาบอกทําใจให้เฉยเฉยปล่อยวางให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วมันจะไม่ทุกข์ใจที่มันทุกข์ใจเพราะความอยากให้มันหายจุด เราต้องหยุดด้วยสติด้วยหยุดด้วยปัญญาดูความเจ็บว่าเป็นเวทนาเป็นฝนฝนฝ้าอากาศเวลาฝนตกนี่เราพยอยากให้มันหยุดแล้วมันจะหยุดไหมมันไม่หยุดคนระัอกพยายามให้มันหยุดมันก็ทุกไปหรือเปล่าถ้าปล่อยฝนตกไปเนี้ยมันก็หยุดเองเวทนามันเจ็บเนี้ยมันก็หายไปเองคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กลัวความเจ็บความตายก็แบบเดียวกัน ก็ต้องาหาที่มันน่ากลัวดูแล้วก็ดูซิว่าหยุดความกลัวตายได้หรือเป่าจะหยุดก็ต้องใช้ปัญญายอมตายยอมปล่อยให้ร่างกายตายเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันต้องมีเวลาที่มันจะต้องตายถ้ามันจะต้องเป็นวันนี้จะนานี้ก็ให้มันไปถ้าปล่อยได้แล้วมันใจจะโล่งจะเบาจะหายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพียงจะคิดอย่างเดียวไม่พอ ตอนคนคิดว่าฉันไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวกวารก็ตอนนี้มันไม่เจอมันก็คิดได้ตอนที่มันเจอทําังไงตอนที่ไปหาหมอหมอบอกว่าเหลือสามเดือนนอยังไม่กลัวรู้ปะยังเป็นป ก, กติยังเหมือนตอนนี้รู้ปะถ้าเป็นเหมอตอนนี้ก็ใช่ได้หมอบอกจะตายสามเดือนก็ไม่เดือดร้อนาตายก็ตายรู้แล้วว่าแก่แล้วต้องตาย ที่เราจะเป็นรูไ ม, ม่เราก็ต้องไปที่สูจน์ต้องไปหาของหาข้อสอบมาที่สูนใจร เ, เพราะนั่งคิดเฉยๆในขณะที่เราสบายนี่มันก็คิดได้นี่มันอตอนนี้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเดี๋ยวเกิดใครปล่อยงูมนให้ครับตัวเดี๋ยวจะจะนั่งเฉยๆยกันได้หรือเปล่าบางทีเนี่ยตุ๊กแกมันหล่นลงมาเนี่ยก็โจรเลย เข้าใจยังความตอบคำถามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณแอนค่ะเมื่อนั่งสมาธิจนลมหายใจระงับกายเบาจนแทบไม่รู้สึกจิตสงบแล้วมีแสงสว่างอย่างนี้คือเกิดตัวเกิดตัวผู้รู้ใช่ไหมคะอ่าก็นั่งแล้วไม่รู้เลยถามแล้วได้ไงถ้ามันรู้จริงมันไม่ต้องมาถามแล้วล่ะแสดงว่ายังไม่ยังไม่เต็มที่ ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงไม่ต้องมาถามหรอกมันจะบอกโอ้ยอัศจรรย์ใจมหาอัศจรรย์ใจที้นึงมันรู้แล้วว่าจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อตัวนี้เพรามันสุกเหลือเกินมันมหาอัศจรรย์ใจมันเบาอกเบาใจสบายใจไม่มีความวิตกกังวลเหมือนจะยกภูเขาที่หลักออกจากอกไปเบาเบาอกเบาใจสบายใจ คำถามจากคุณสัญญาค่ะการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะยืนเดินนั่งนอนโดยไม่ต้องหลับตาและไม่คิดอะไรถือว่าขณะนั้นจิตเป็นสมาธิหรือเปล่าครับยังหรอยังเป็นสติอยู่ถ้ายังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกระทําอยู่จิตยังไม่ห่งแต่อยากให้จิตเป็นสมาธิต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจเพียง อ, อย่างเดียว จนกระทั่งลมหายไปจิตดวงลมนา่งกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้ายัางเดินยังรู้การเคลื่อนไหวต่างๆอนี้เป็นการเจริญสติหักห้ามความคิดไว้แต่ความคิดยังไม่อยู่พอเราเผลอปับ๊บมันก็จะคิดทันทีแต่ถ้าเข้าไปในสมาธิแล้วมันไม่ต้องควบคุมบางครั้งด้วยสติมันจะไม่คิดของมันเอง มานจะนี่ไป็นต่างต่างๆมันจะสติเีนดกําลังแล้วมันถึงใจถอนออกมาแล้วก็เริ่มคิดหมคําถามจากคุณยอดค่ะเมื่อความทุกหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติทํมจะต้องทําอย่างไรครับเช่นต้องใช้พุทโธงกดสมุมไว้หรือวางใจไว้ที่ไหนครับก็มี2วิธีถ้าใจสติของใจก็พุดโทพูดโธรกอ๋่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกใจ พอเราไม่ไปคิดมือมันปักความทุกใจก็หายไปแต่มันหายไปตอนที่เรามีพุโทโธถ้านเหนือเรายุดพุดโทโธเมื่อไห่มันกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกก็ทุกข์ขึถ้าอยากจะให้มันไม่กลับไปคิดเลยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นว่าเป็นทุกข์เป็ น, เ ป, นเป็นยาพิษเป็นงูพิษเป็นกองไฟเป็นกองเพลิงเป็นกองทุกข์อย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยวางมันมันจะเป็นไงช่างหัวมันเช่นแฟนจะทิ้งเราแล้วไม่ทิ้งเราช่างหัวมันเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราจะอยู่เขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้แต <ti> ่ถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่แ <Rainbow> ล <Mercy> ้วเขาจะไปนี่เราจะทุกข์มากที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพรา้เราอยาไปอยากเราปล่อยวางเขาเขาอยากจะเป็นยังไงเขาอยากจะทาแล้วก็ปล่อยเ็นไปไปทำไปถ้าเราไปอยากว่าเราจะทุกข์ ถ้าเราไม่ไปอยากว่าเราจะไม่ทุกข์อันนี้ใช้ปัญญาเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นกองทุกข์มันเขาเป็นหมาอยาพิษอย่าไปแน่นกับยาพิษอย่าไปแน่นกับไฟถอยออกมาปวายเขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขจะไปก็ปล่อยก็ไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาคำแนะนาจากคุณรงสีข้าวบุญบรรดานะครับที่สกล นคร อ, อำเภออากาศอํานวยมีวัดแม่ชีท่านปฏิบัติดีพระสายป่าท่านพูดถึงลองมาดูนะคะวัดป่าหน้องปู่จังหวัดวัดหลวงปู่มั่นสำหรับแม่ชีนะครับแนะนํามาเพื่อจะเที่ยงจำได้เมื่อกี้ครับประกาศวัดป่าน้องปอู่วัา ว, วัดวัดของน้องปู่มั่นใช่น้องปู่มั่นเคยอยู่ทาําบรรจาร์เาแล้นนี้มีให้แม่ชีอยู่ได้ ครับมีแม่ชีอยู่เราดูแลนําได้ค่ะคำถามจากคุณป้อมค่ะถ้าเรามีความจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับคนที่ทําให้เราทุกข์เราควรทาอย่างไรดีเจ้าคะมาทําใจเนี่ยการองอยู่ด้วยกันก็ทําทใจอย่าไปเจียดเา้าแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยชอบแผ่คนเดียวเวลสวาสวดมนต์ไหว้พระไม่แผ่เก่งด้วยกันพอไปเจอคู่กรรมคู่เวรนี่แผ่ไม่ออก เจ้าเนี่ยเจ้ากรรมนายเวงเนสองตัวจริงเคนที่เราไม่อยากจะอยู่ด้วยคือเจ้ากรรมนายเวงของเราถ้าอยากจะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรม น, นายเวงต้องนั่นแหละใครใครที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวงเราทั้งนั้ น, นถ้าอยากจะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวงก็แผ่กับคนที่เราไม่ชอบอนคนที่ทําให้เราทุกข์นั่นแหะคือเจ้ากรรมนายเวงของเรา อย่าไปแผ่ตอนที่ไหว้พระสวดมนต์ตอนนี้ไม่ตอนนั้นไม่มีใครสักคนไม่รู้ไปแผ่ให้ใครตอนนั้นเป็นการซ้อมก็จะเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเวลาเราเจอเจ้ากรรมในเวรเราต้องแผ่เมตตาให้เขาอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาต้องให้อภัยเขานั่เราจะอยู่กับเขาได้คิดว่าใช้หนี้กล่าไปให้เขาเราเคยเป็นหนี้เขาตอนนี้เขาก็เลยมาทวงหนี้